วิญญาณที่วัดสแก่โดยทอเลียงพิบูลจากหนังสือกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเล่มที่สองข้าพเจ้าเคยเขียนเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณมาหลายเรื่องทุกครั้งที่เขียนก็ไม่ค่อยสบายใจนักกลัวบางท่านจะเข้าใจผิดว่าข้าพเจ้างมงายแต่ความจริงข้าพเจ้ามีใจรักแล้วก็เขียนแล้วก็สนใจในสิ่งลี้ลับดํำมืดแต่แฝงไว้ด้วยความมหศัศจรรย์ซึ่งทางวิทยาศาสตร์ของโลกยังไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ ท้าพเจ้าเองก็ได้มีโอกาสศึกษาควบคู่ไปด้วยทั้งเวลานี้ก็ได้มีผู้ให้ความสนใจอยากรู้อยากเห็นอยากค้นคว้าศึกษามากขึ้นหากท่านใดมีความสนใจศึกษาจะเป็นงานที่น่าเพลิดเพลินเข้าทำในเรื่องของโอปติกะเข้าใจในเรื่องของการตายแล้วเกิดลึกซึ้งยิ่งขึ้นมองเห็นบุญบาปตามกฎแห่งกรรมเป็นเรื่องที่ควรศึกษา หากท่านที่ไม่สนใจเพราะถือว่าไม่มีเหตุผลพิสุจน์ไม่ได้ก็ขอให้ท่านอ่านหรือว่าฟังแล้วก็ผ่านไปเพราะคนเรามีความรู้สึกผิดกันต่างจิตต่างใจความรู้สึกก็ต้องแปลกออกไปเรื่องลี้ลับเกี่ยวกับวิญญาณแล้วก็พูดผีปีศาจเมื่อก่อนไม่มีผู้สนใจมากนักแต่บัดนี้มีผู้ที่หันมาสนใจมากขึ้นยิ่งเป็นเรื่องลี้ลับมหัศจรรย์มีอภินิหารมากเพียงไรก็ยิ่งทาให้มีผู้ที่สนใจมากเพียงนั้น เพราะความอยากรู้เป็นธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนส่วนมากฉะนั้นเรื่องที่ข้าพระเจ้าจะเล่าต่อไปนี้เข้าใจว่าคงมีผู้รู้ข่าวเรื่องนี้มาก่อนแล้วก็สนใจเพราะว่าเป็นเรื่องประหลาดมห ah. ัศจรรย์เรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วท่ามกลางสายตาของประชาชนชาวบ้านนับร้อยๆยพร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์เหตุนี้เกิดขึ้นที่วัดสะแกอําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี หลายเดือนก่อนจะถึงเดือนมิถุนายนคุณแก้วรักกตัญยูเป็นผู้ชอบพอแล้วก็นับถือกันกันกบข้าพเจ้าได้บอกว่าทางวัดสแกจะมีการทำการขุดศพล้างป่าช้าวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมีอายุ400กว่าปีมาแล้วเป็นวัดเก่าแก่เคยมีผีดุที่สุดวัดหนึ่งแม้แต่พระสงฆ์ก็เคยถูกหลอก ปัจจุบันนี้ท่านพระครูสง่าเป็นสมภารและคณะกรรมการของวัดมีความประสงค์จะขุดศพล้างปา่าช้าจึงขอร้องให้คุณแก้วช่วยพาไปติดต่อกับท่านนายกสมาคมพุทธมามะกะสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทยที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดราชบุรี เพราะคณะกรรมาการทางวัสแกได้ ย, ยินกิติศัพท์ว่าทางสมาคมนี้ทำการกุศลช่วยขุดศพทั่วไปทุกจังหวัดในประเทศไทยและพิธีประหลาดมากสจั์จะสามารถชี้ไม่เลือกสถานที่ซึ่งใต้ดินมีศพฝังอยู่ได้อย่างแม่นยำทำการล้างป่าช้าก็จะมีการขุดศพขึ้นหมดไม่มีตกค้างหลงเหลืออยู่เลยทั้งยังสามารถบอกได้ว่าศพนั้นเป็นหญิงหรือชายยังบอกชื่อศพได้อย่างถูกต้อง ทั้งรู้ถึงการตายด้วยเหตุใดนับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์เป็นศาสตร์ลี้ลับที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้คุณแก้วอยากให้ข้าพเจ้าไปพบเห็นด้วยตนเองเพื่อบันทึกไว้แล้วก็เขียนขึ้นให้อนุชนรุ่นหลังแล้วก็ผู้ที่สนใจจะได้ค้นคว้าศึกษาต่อไปซึ่งข้าพเจ้าเองก็มีความสนใจมากอยู่แล้วแล้วก็เคยได้ทราบข่าวในเรื่องนี้มาก่อนว่า มีสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์ต่างๆแล้วก็อภินิหารที่พิสูจน์ไม่ได้แต่ว่ายังไม่เคยพบเห็นกับตาตัวเองเพราะไม่ทราบว่าจะไปค้นคว้าเรื่องนี้ได้ที่ไหนจึงบอกว่าต้องไปเพราะว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดมหัศจรรย์หาดูได้ยากในชีวิตและข้าพเจ้าก็สนใจมากไม่อยากพลาดโอกาสอันดี แต่แล้ววันเวลาได้ผ่านไปหลายเดือนก็ยังไม่ได้รับข่าวกําหนดว่าจะจัดงานล้างป่าช้าเมื่อไหร่เมื่อนานวันผ่านไปข้าพเจ้าก็ค่อยๆลืมเรื่องงานล้างป่าช้าวัดสแกร์มีอยู่วันหนึ่งคุณแก้วก็ขอร้องให้คุณวิชัยเนี่ยติดต่อโทรศัพท์มาบอกข้าพเจ้าว่าถึงกําหนดวันงานที่จะล้างป่าชา้าแต่ระยะเวลากระชั้นชิดข้าพเจ้ากลับตัวไม่ทันเพราะว่าตรงกับวันเวลาที่ได้นัดไว้กับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดทางภาคเหนือว่าจะลงมาพบ ก่อนหน้าที่จะทราบข่าวจากคุณแก้วจึงเสียดายโอกาสอันดีเพราะว่าการที่ล่าช้าข้าพเจ้าได้ทราบว่าทางคณะกรรมการขุดศพล้างป่าช้าวัดสแกได้ไปติดต่อทางสมาคมพุทธมามะกะสงเคราะห์การกุศลที่บ้านบึงจังหวัดชนบุรีแล้วหลายครั้งก็ยังไม่สามารถที่จะได้พบกับท่านนายกสมาคมเพราะว่าท่านเองก็มีกิจการงานมากาก็เลยไม่ค่อยได้อยู่ที่สมาคมเท่าไหร่นะัก ครั้งหลังคณะกรรมาการมีพระครูสง่าแล้วก็มีเรือเอกมานิตย์อรุณมิตรมีคุณแก้วแล้วก็อีกหลายท่านได้เดินทางไปอำเภอบ้านบึงอีกครั้งด้วยใจที่ร้อนรนเพราะว่าได้เดินทางมาแล้วหลายครั้งไม่ได้มีโอกาสพบกับท่านนายกสมาคมครั้งหลังก็เช่นเดียวกันคือไม่มีโอกาสจะได้พบท่านพระอาจา ร, รย์สง่าก็ได้พบกับคุณนายแม่บ้านของท่านนายกสมาคมพุทธมามะกะสงเคราะห์ คราวนี้ท่านจะอาวาสได้กล่าวถึงการพยายามที่จะขอพบท่านนายกด้วยความยากลำบากที่มาหลายครั้งเพื่อจะขอร้องให้ทางสมาคมเนี่ยช่วยขุดศพล้างป่าช้าวัดสแกชาวบ้านชาววัดต่างก็ทราบว่าคราวนี้เป็นการขุดพิเศษซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในจังหวัดนี้โดยใช้อำนาจลึกลับประหลาดที่สามารถจะบอกว่าเป็นศพเพศหญิงหรือว่าเพศชายหรือว่าเป็นศพเด็ก เพราะฉะนั้นแล้วชาวบ้านก็รู้กันมาว่าท่านเนี่ยได้มาติดต่อทางสมาคมแล้วหลายครั้งต่างคนต่างคอยเวลาด้วยความกระหายที่อยากจะเห็นสิ่งลี้ลับแปลกประหลาดซึ่งชาวบ้านยังไม่เคยเห็นมาก่อนฉะนั้นการขุดสดล้างป่าช้าถ้าผิดหวังไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากสมาคมพุทธมามะกะสงเคราะห์ การกุศลได้แล้วท่านสมพันธ์ก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเพราะว่าได้ข่าวว่ากระจายออกไปไกลท่านเองก็ร้อนใจตลอดเวลาเกือบ40พรรษาท่านสร้างชื่อเสียงคุณงามความดีไว้มากมีผู้คนเคารพนับถือโดยทั่วไป แต่ว่าคราวนี้การล้างป่าช้าจะจัดงานพิเศษหากเกิดไม่เป็นความจริงขึ้นมาท่านก็อาจจะเกิดความเสียหายขึ้นมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านได้เล่าให้แม่บ้านของท่านนายกสมาคมฟังว่าแม่บ้านของท่านนายกสมาคมเนี่ยรับฟังไว้ด้วยความเห็นใจ เห็นความพยายามของท่านแล้วก็จะเป็นภาระช่วยพูดกับท่านนายกสมาคมให้และคณะของท่านก็ต้องลากลับเพราะว่าผิดหวังที่ไม่พบท่านนายกสมาคมตามเคยแต่ก็มีความหวังเพราะว่าทางแม่บ้านเนี่ยรับภาระว่าจะช่วยพูดช่วยคุยให้ท่านก็ค่อยเบาใจแล้วก็คอยต่อไปด้วยความกังวลใจ แต่แล้วต่อมาท่านก็ได้รับจดหมายจากสมาคมพุทธมามะกะสงเคราะห์การกุศลตกลงว่าจะจัดการขุดศพล้างปา่าช้าแล้วก็กําหนดวันแน่นอนมาเบ็ดเสร็จเลยนะคะความหวังของเจ้าอาวาสก็สําเร็จลงด้วยความเห็นใจนี่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้ากลับตัวไม่ทันข้าพเจ้าเองก็ได้ขอร้องเพื่อนรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องไปบันทึกเหตุการณ์แทนเพราะว่าข้าพเจ้าไม่สามารถจะไปได้ท่านพระครูสง่าจเจ้าอาวาสก็ได้ออกบัตรเชิญในงานนี้มีกําหนด2วันก็คือวันสุกที่ 21, วันสวันเสาร์ที่22มิถุนายน2511ทุกคนเข้าใจว่าวันศุกร์เพียงแต่เป็นวันเริ่มต้นวัดเก่าแก่นับตั้งแต่400กว่าปีมาแล้วนี้ยังไม่เคยล้างป่าช้ามาก่อนก็คิดว่าอย่างน้อยนี่ก็ต้องมีศพนับร้อยขึ้นคงจะไม่แล้วเสร็จเรียบร้อยตามกำหนดไว้เพียงแค่2วันทุกคนก็คิดเช่นเดียวกัน ก็เลยตกลงกันว่าจะไปงานวันเสาร์แต่แล้วผู้เดินทางไปวัดสแกนในวันเสาร์เช้าก็ผิดหวังค่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างสมาคมได้จัดการเรียบร้อยหมดภายในวันเดียวเห็นว่าเป็นงานเล็กด้วยเพราะว่าเคยขุดต่างจังหวัดเวลาแรมเดือนเท่าที่เคยทราบมาทางสมาคมได้จัดตั้งกองอาสาสมัครหญิงชายมาช่วยการกุศลครั้งนี้ประมาณร้อยกว่าคนทุกคนทํางานกันอย่างเข้มแข็งไม่ได้คิดว่าเป็นงานที่น่ารังเกียจ มีสุภาพบุรุษและก็สุภาพสตรีอายุประมาณ 16-17 เป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีผู้หญิงผู้ชายทุกวัยมีอายุถึง 50-60 ก็มีต่างก็มีอาสาสมัครมาจากจังหวัดชนบุรีพวกนี้มีความประสงค์จะช่วยขุดศพแล้วก็ช่วยนำกระดูกขึ้นด้วยมือซึ่งได้ข่าวว่าทุกครั้งที่มีการขุดศพที่ใดก็ดีสุภาพสตรีสาวแล้วก็ไม่สาวทั้งหญิงทั้งชายทุกรุ่นทุกเหล่าจะแย่งกันอาสาสมัคร ทั้งที่สมาคมเนี่ยไม่ได้มีสินจ้างรางวัลใดๆเป็นประโยชน์ตอบแทนแต่ว่าทุกคนนีคะที่มีจิตศรัทธาเข้มแข็งอยากร่วมกุศลด้วยกันจํานวนมากค่ะข้าพเจ้าได้ทราบกันมาก่อนว่ามีบางครั้งศพกําลังเน่าเฟะขึ้นอืดเป็นภาพน่ากลัวน่าเกลียดสะอิดสะเอียนทั้งกลิ่นเหม็นบางคนก็ไม่กล้าดูส่วนมากทนกลิ่นไม่ได้ด้วยแต่ว่าพวกอาสาสมัครเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้รังเกียจรังงอนนะคะกลับเห็นว่าเป็นเรื่องปกติ ของมนุษย์ทั่วไปแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าปฏิบัติสำหรับศพที่ขึ้นอืดนี้ทางสมาคมเขาก็จะมีน้ำปืนใช้ทาแขนทามือให้ทั่วก่อนที่จะจับต้องศพเห็นว่าจะเป็นการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายด้วยนอกจากนั้นพวกอาสาสมัครก็ยังได้รับผ้ายันสีส้มแจกกันคนละผืนเพื่อป้องกันวิญญาณร้ายต่างๆเท่าที่เคยปฏิบัติมา ข้าพเจ้าทราบก็อดชมความศรัทธาเลื่อมใสของหมู่สาวเหล่าอาสาสมัครนั้นไม่ได้รู้สึกว่ามีจิตใจเข้มแข็งอดทนสามารถที่จะทำในสิ่งที่ปกติสังคมทั่วไปรู้สึกกลัวทั้งรังเกียจนอกจากผู้ที่เข้าถึงพระธรรมคำสอนให้คิดได้ ลงตกถึงสังขารเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องเจ็บก็ต้องตายเป็นธรรมดาทั่วไปข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจว่าเหล่าอาสาสมัครเฉพาะผู้ที่เป็นสตรีซึ่งกําลังอยู่ในวัยรักวัยรักสวยรักงามจะปฏิบัติอยู่ลงตกซึ่งแทนที่จะรังเกียจกลับมีความสนใ จ, จยอยากไปเป็นอาสาปฏิบัติงานอย่างผู้ที่เสียสละด้วยจิตเลื่อมใสศรัทธาก็คงจะเห็นผลการสร้างกรรมดีมาแล้วเป็นที่น่าคิดแล้วก็น่ายกย่องสรรเสริญยิ่งนัก และทุกคนที่เป็นอาสานั้นล้วนแต่อยู่ในฐา น, นะที่มีอันจะกินทั้งนั้นเลยข้าพเจ้าเกิดความเลื่อมใสในกิจการของสมาคมพุทธมามะกะสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทยในส่วนรวมเสียดายไม่หายเลยที่งานขุดศพล้างป่าช้าในวันที่21มิถุนายน2511 พระเจ้าไม่ได้ไปตามที่ตั้งใจเช้าวันเสาร์ผู้ที่ไปถึงวัดต่างก็รู้สึกเอะใจว่าเอ๊ะทำไมมันเงียบเชียบเมื่อพบท่านสมภารก็รู้ว่าสิ่ง น, นี้เนี่ยได้ผ่านไปแล้วศพก็ได้ขุดขึ้นในวันเดียวหมดภัยในวัดนี่มีศพจำนวน6 2 4สบศพซึ่งเป็นศพชายหญิงแล้วก็เด็กต่างก็แยกออกศพชายไว้ที่หนึ่งส่วนศพหญิงไว้ที่หนึ่งเด็กก็รวมกันไว้อีกที่1 หลังจากนั้นมาข้าพเจ้าก็เดินทางไปที่วัดสแกกับเพื่อนๆแล้วก็ได้มีโอกาสสนทนากับท่านเจ้าอาวาสแล้วก็พระในวัดทั้งชาวบ้านชาววัดหลายท่านก็ได้กรุณาชี้แจงเล่าให้ฟังถึงการขุดศพอย่างประหลาดมาสจั์ในสายตาของท่านสมภารแล้วก็ชาวบ้านจํานวนร้อยๆและก็เล่าถึงวิธีการทรงตลอดจนถึงการต่อสู้กับวิญ ญ, ญาณในวัดท่านพระครูสง่าเจ้าอาวาสได้เล่ า, าข้อปลีกย่อยแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับการทําพิธี เพื่อท่านที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณจะได้มีโอกาสพิจารณาค้นคว้าฉะนั้นข้าพเจ้าก็เลยได้นมั ส, สการท่านพระครูรวมถึงเหตุการณ์เท่าที่ได้เห็นได้พิจารณาในสิ่งมหศัศจรรย์เกี่ยวกับการขุดศพในวันนั้นตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ได้ถามอาจารย์อารามแห่งวัดใต้อยู่อำเภอพระขนงจังหวัดพระนครซึ่งท่านได้เห็นเหตุการณ์ตลอดเวลาแล้วก็ได้กรุณาเล่าให้ฟังตลอดพระภิกษุสงฆ์และก็ผู้อื่นที่ได้เห็นพิธีประหลาดพิสดารในวันนั้นเมื่อรวบรวมข้าพเจ้า ก็ได้เรื่องได้ราวที่จะเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้เมื่อวันที่21มิถุนายน2511เวลาเช้าคณะกรรมาการสมาคมพุทธมามะกะสงเคราะห์กุศลพร้อมทั้งเหล่าอาสาสมัครขุดศพรวมจํานวนหญิงชายประมาณ150คนได้ไปถึงวัดสแก่อำเภอสาโคกจังหวัดปทุมธา น, นีโดยเรียบร้อยซึ่งทางสมาคมก็ได้จัดพาหนะแล้วก็เครื่องใช้ต่างๆพร้อมเครื่องมือขุดดินแล้วก็สิ่งของจําเป็นที่จะต้องใช้ทางสมาคมได้จัดหามาเองทั้งสิน้น การเดินทางจากอำเภอบ้านบึงมาวัดสแกก็ไม่สะดวกมากนะักเพราะว่าต้องขึ้นรถลงเรือใช้เวลาไม่น้อยและต้องมาถึงแต่เช้าเห็นจะเป็นเพราะว่าต่างมีจิตศรัทธาก็เลยไม่ย่อท้อต่อความลำบากขณะที่มานั้นส่วนมากยังไม่เคยรู้จักวัดสแกมาก่อนฉะนั้นเมื่อหลังจากที่เลี้ยงอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยทางหัวหน้าผู้แทนของสมาคมเนี่ยก็ได้ขอร้องให้มรรคฐายกวัดได้จัดตั้งโต๊ะบูชาเพื่อทําพิธีอัญเชิญนั่นเอง คณะกรรมการเลือกได้ใต้ต้นจามจุรีใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาออกไปเป็นที่ร่มเย็นซึ่งมาทางวัดได้จัดโต๊ะตามที่คณะสมาคมต้องการแล้วคณะกรรมการในการขุดศพก็เริ่มจัดการตั้งโต๊ะบูชาก็จะมีผลไม้9ก้าอย่างใส่จานเรียบร้อยมีน้ำมีข้าวสารแล้วก็มีทูบเทียนนอกจากเครื่องบูชาแล้วก็ยังมีธงกระบี่อายาสิทธิ์แลก็อาวุธโบราณวางอยู่บนโต๊ะ แล้วก็อาวุธอีกชนิดหนึ่งคนไทยเราเรียกว่าหนามทุเรียนได้วางไว้บนโต๊ะบูชานอกจากนั้นก็ยังมีโต๊ะเป็นโต๊ะไม้ขาพับแล้วก็ถ่างออกได้แล้วก็มีกระด้งขนาดกลางไว้ที่นั่นแล้วก็มีใบม า, ามีไม้เป็นง่ามเป็นรูปตัววีสำหรับถือสองคนขนาดสอกกว่าซึ่งไม้นี้เนี่ยทจากไม้ต้นลิ้วซึ่งเชื่อกันว่าเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อจัดโต๊ะหมู่บูชาเรียบร้อยแล้วผู้ที่จะเข้าไปในพิธีนี้ก็จะมี8ท่านก็จะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าขาวสะอาดตลอดทั้งเกือกยางเท้าเมื่อได้แต่งตัวเสร็จผู้ที่เข้าสรงก็เริ่มมายืนล้อมเป็นวงกลมหน้าโต๊ะบูชาในจํานวน8ท่านด้วยกันที่แต่งขาว2ท่านก็ถือไม้เป็นรูปตัววีมีร่างทรง2ท่านใช้มือจับไม้ศักดิ์สิทธิ์คนละข้างก็เริ่มสวดพร้อมกันใช้เวลาประมาณ20นาทีไม้ที่ถือก็เหมือนจะมีชีวิตขึ้นก็เริ่มหมุนไป ร, บรอบ กระดง้งผู้ถือก็ไม่สามารถจะฝืนได้ก็ต้องปล่อยไปตามกำลังแรงของสิ่งลี้ลับที่จะต้องการไปเหมือนว่ามีวิญญาณสิงอยู่ในไม้แล้วก็เอาผู้กันนี่เสียบตรงช่องรูปลายไม้ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จุ่มลงไปในน้ำหมึกสีแดงเขียนยันลงไปในผ้าแดงผืนเล็กๆจำนวนมากอย่างรวดเร็วพอเสร็จแล้วก็ไปเจมิมเครื่องมือเตรียมขุด เสร็จแล้วกรรมาการก็นำผ้ายันนี่มาแจกพวกอาสาสมัครทุกคนทั่วกันแล้วก็ให้ไปรับน้ำมนต์ไปดื่มรูปหน้ารูปตามตัวเพื่อความเป็นสิริมงคลในบริเวณวัดนี้มีศพฝังไว้ยังเป็นวิญญาณอยู่ก็มี624สบศพในวิญญาณเหล่านี้ก็จะเป็นวิญญาณชาย312บอนอกกนั้นก็จะเป็นวิญญาณหญิงแล้วก็เด็กทั้งหมด โดยผู้จดก็จดลงเป็นหลักฐานหากผู้อ่านตรงไปที่แปลความหมายไม่ถูกเซียนก็จะเขียนจนกว่าจะอ่านได้ถูกต้องตามความหมายจากนั้นประมาณ10นาทีเซียนผู้ถือไม้ศักดิ์สิทธิ์ก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออมีวิญญาณในไม้นกําลังจะพาวิ่งตรงไปหน้าวัดซึ่งเวลานั้นท่านพระครูสง่าจเจ้าอาวาสวัดสแกรพระสงฆ์และก็ประชาชนจํานวนมากต่างก็จับตาดูตั้งแต่แรกเริ่มทําพิธีตลอดเวลาท่านพระครูจเจ้าอาวาสก็บอกว่า อาตมาเห็นพวกเสียนในวิ่งไปถนนหน้าวัดในความรู้สึกก็เอ๊ะชักจะสงสัยแหละคิดว่าคราวนี้คงเหลวแน่เพราะอาตมาจำพรรษาอยู่ในวัดแห่งนี้ตั้งแต่เป็นเนนตลอดมาจนเป็นสมภารมา37ปีแล้วไม่เคยมีวี่แววหรือว่าคนรุ่นก่อนบอกว่าแถวทางหน้าโบสถ้างตรงถนนไปท่าน้ำหน้าวัดนั้นเนี่ยไม่เคยเป็นที่ฝังศพมาก่อนก็นึกในใจว่าเออคราวนี้คงเหลวแน่คงจะไม่เป็นอย่างที่เขาเล่าลือกัน คณะสมาคมนี้มีอำนาจลี้ลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยชี้ศพอยู่ใต้ดินไม่เคยผิดพลาดเป็นที่รู้กันไปทั่วแต่ว่าคราวนี้ทำไมวิ่งไปคนละทิศคนละทางกับป่าช้าแต่อาตามาก็นิ่งนอนใจไม่ได้พูดอะไรแล้วก็คอยดูต่อไปอาตามาก็เห็นวิ่งไปทางาไปถึงทางแล้วก็ไม้ศักดิ์สิทธิ์ก็หยุดแล้วก็ชี้ลงผู้ติดตามก็เอาธงแดงปักไว้เซียนที่วิ่งตามมาก็ซัดเข้าสารอีกคนนึงก็พรมน้ามนต์ลงไป พวกอาสาสมัครก็วิ่งตามกันมาเป็นหมู่มีเครื่องมือพร้อมก็รีบลงมือขุดไปทันทีช่วยกันขุดโกลดินเก็บศพที่เหลือแตกระดูกขึ้นมาอาตมามองดูเขาก็ขุดด้วยความตื่นเต้นก็ปรากฏว่ามีศพฝังอยู่ใต้ดินจริงมันเป็นสิ่งที่น่าแปลกประหลาดมากสัจจันมากการวิ่งเที่ยวชี้ให้ทงของพวกนั้นเนี่ยบางครั้งก็บุกเข้าไปในดงหญ้าดงไผ่ไม่น่าจะเป็นอะไรไปได้ว่าจะมีศพอยู่ที่นั่น รู้สึกว่าไม้ศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจพิเศษมีกำลังดึงดูดเอาผู้ที่ถือเนี่ยวิ่งไปตลอดเวลาแล้วก็พอวิ่งไปปุ๊บก็จะมีคนไปปักธงก็ไม่เคยผิดพลาดเลย ทีนี้ท่านจเจ้าอาวาสก็บอกตอบไปบอกว่าเมื่อแรกอัตมา ก, ก็ยังไม่เชื่อสนิทแต่ว่าบัตรนี้อัตมาเชื่ออย่างข่าวสะอาดไม่มีข้อสงสยัยการที่เซียนสามารถชี้ไปที่ฝังศพได้อย่างแปลกประหลาดเช่นนี้ซ้ำยังบอกได้ว่าศพที่ฝังอยู่นั้นเป็นหญิงหรือชายนับว่าเป็นความสามารถอย่างประหลาดแล้วก็ลี้ลับมากอยู่เหนือวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่สามารถค้นคว้าแล้วก็พิสูจน์ได้แม้แต่ท่างกุฏิพระ อาตมาก็เห็นเซียนวิ่งายชี้ห่างจากสาวกุติไม่เท่าไหร่นักเมื่อได้ขุดลงไปก็พบว่าเออมีศพจริงถ้าไม่เห็นด้วยตาก็ไม่น่าเชื่อนับว่าแปลกไม่มีใครนึกฝันว่าจะมีศพฝังอยู่ในที่ใกล้กุติซึ่งห่างจากป่าช้าคนละทิศคนละทางเช่นนี้ การชี้โดยเซียนผู้ที่จับไม้งามจะพาไปแห่งใดนั้นพวกเซียนก็ต้องผลัดเปลี่ยนกันเป็นชุดเปลี่ยนถึง4ชุดทุกครั้งที่ผัดเปลี่ยนนั้นก็จะต้องกลับมาที่โต๊ะตั้งพิธีบูชาเริ่มต้นแล้วก็จะมีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นซึ่งทําให้คณะกรรมการพานักงานนี้เนี่ยบอกภายหลังว่ายังไม่เคยมีวัดใดหรือว่าป่าช้าใดเท่าที่คณะกรรมการได้เคยไปขุดล้างป่าช้าจะนับไม่ถ้วนไม่เคยมีเหตุการณ์แปลกประหลาดเช่นนี้เกิดขึ้นเช่นวัดนี้ก็คือ เมื่อเวลาประมาณบ่าย3โมงคณะเจ้าหน้าที่แล้วก็พวกอาสาสมัครกำลังขุดศพเป็นการใหญ่เพื่อที่จะเป็นการาเร่งทำงานแข่งกับเวลาเพื่อให้แล้วเสร็จเรียบร้อยทันใดนั้นก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นที่หน้าโบสถ์โดยเหล่าหมู่เซียนที่แต่งเครื่องขาวนั้นก็ต้องหยุดชะงักต่างก็แสดงกิริยาตื่นเต้น เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทันทีต่างก็หันมารำเพลงมวยเพลงอาวุธแสดงกิริยาท่าทางคลายได้เกิดปะทะต่อสู้กันขึ้นระหว่างเซียนกับฝ่ายวิญญาณทางวัดสแกร์ซึ่งไม่เห็นตัวประชาชนและก็พระภิกษุสงฆ์ซึ่งอยู่ในที่นั้นต่างก็ไม่นึกว่าจะเห็นเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นในวันนั้นชาวบ้านบางคนนี้กลัวมากจนอกสันขวัญหายก็มีรีบหนีออกจากเขตนั้นที่ใจกล้า ใจไม่กลัวก็คอยหลบหนีอยู่ใกลๆ้ๆคอยดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปชาวบ้านที่กล้าแล้วก็พระสงฆ์คงเคยเห็นพวกเซียนฝ่ายเดียวที่แสดงกิริยาวะกํากลังได้ต่อสู้ระหว่างวิญญาณพวกเจ้าถิ่นในวัดสแกกับพวกเซียนเพราะว่าการร่ายรำหลบหลีกซึ่งท่าทางของเพลงอาวุธนี่สู้รบกันในสมัยโบราณก็มีการรุกไล่ถอยไปรุกเข้ามาผลัดกันรุก เซียนบางท่านก็มีฝีมือกำลังเข้มแข็งสามารถหลบหลีกอย่างว่องไวแล้วก็รวดเร็วเป็นการต่อสู้กับศัตรูที่คนธรรมดามองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามีหลายท่านที่บอกว่ามันเป็นสิ่งแปลกประหลาดมหัศจรรย์จริงๆในชีวิตนี้ยังไม่เคยพบเห็นมาก่อนก็คงจะหาดูไม่ได้อีก ก็คงจะไม่มีวันลืมตลอดไปว่าโลกนี้นมีสิ่งลี้ลับมากมายการต่อสู้ระหว่างเซียนกับพวกวิญ ญ, ญาณเจ้าที่เจ้าทางเป็นฝ่ายที่เรามองไม่เห็นฝ่ายหนึ่งแสดงท่าทางต่อสู้ทิ่มแทงอากาศที่เปล่าอยู่พักหนึ่งฝ่ายเซียนรู้สึกว่าจะอ่อนกําลังก็เริ่มถอยแสดงว่าไม่สามารถจะปราบเอาชนะวิญญาณเจ้าถิ่นได้แต่ว่าทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงเซียนร้องขึ้นมาเสียงดังลั่นได้ยินทั่วบริเวณเลยจะตีความหมายว่าจะเรียกร้องให้ช่วยเหลือเพราะว่าบาดเจ็บก็ไม่แน่นอน พวกกรรมการต่างก็พากันตกใจตกตะลึงเพราะยังไม่เคยพบเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนเหมือนกันก็แตกตื่นแล้วก็ตื่นเต้นไม่รู้จะจัดการแก้ไขยังไง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้มีผู้เห็นแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการแกล้งแสดงแน่นอนส่วนอีกด้านหนึ่งหรือว่าอีกมุมหนึ่งก็มีชายจีนผู้อาสาสมัครกำลังใช้แรงขุดดินในสภาพเปลือยท่อนบนไม่ใส่เสื้อมีแต่กางเกงตั้งอกตั้งใจขุดดินตรงที่มีทูบปักไว้ซึ่งเป็นเครื่องหมายว่ามีศพฝังอยู่ใต้ดินไม่ได้สนใจกับใครมุ่งแต่จะขุดศพขึ้นมาอย่างเดียวแต่เมื่อได้ยินเสียงเสียงร้องทันใดชาวจีนคนนั้นก็เปลี่ยนสภาพไปรู้สึกว่า มีวิญญาณรีบมาเข้าสิงในร่างทันทีซึ่งกิริยาผิดปกติธรรมดาแล้วออกวิ่งอย่างรีบร้อนไปในหมู่เสียนแล้วก็เอามีดเชือดลิ้นป้ายเขียนยันไว้ตามเสาไฟฟ้าในวัดออกคำสั่งให้รีบนำอาวุธเอาหนามทุเรียนออกมาแล้วก็แสดงรำท่าทางหัวดซ้ายฟาดขวาตีตามตัวเองด้วยลูกตุ้มหนามทุเรียนนี้เนี่ยมีหนามเป็นเหล็กแหลมคมมาก แต่ว่าการนำมาปาดตามตัวก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดแล้วก็รีบสกัดแก้สถานการณ์ที่กำลังคับขันไว้ได้พวกเซียนก็กลับเป็นฝ่ายรุกไล่ทีนี้พวกวิญญาณเจ้าถิ่นกลับถอยหนีสิคะเพราะว่าเซียนที่เข้ามาครั้งหลังองค์นี้ได้ทราบภายหลังว่าเป็นชั้นอาจารย์ผู้ใหญ่ซึ่งมีฤทธิ์เดชอํานาจมากตามปกติเนี่ยทำให้คับขันจริงๆแล้วท่านก็จะไม่มาปรากฏตัวคะ่ะฉะนั้นวิญญาณเจ้าของถิ่นที่วัดสแกก็เลยไม่สามารถที่จะต่อต้านเอาชนะได้ พวกเซียนก็เลยรุกไล่วิญญาณไปทางด้านเหนือแล้วก็ด้านใต้วิ่งกันขวักควายตัดหน้าตัดหลังคล้ายจะวิ่งสกัดจับผู้ร้ายสําคัญที่สุดคือพวกเซียนก็วิ่งรวมกันล้อมต้นประดู่ใหญ่อยู่หลังโบสถ์แล้วก็เริ่มสวดคาถาแล้วอาจารย์ใหญ่ก็เอากระบีน่นี้แทงเข้าไปในโพรงต้นประดู่ใหญ่อยู่หลายครั้ง ได้ความค่ะว่าภายหลังวิญญาณทั้งหลายได้พ่ายแพ้พวกเซียนแล้วก็หลบหนีเข้าไปสิงอยู่ในต้นไม้และที่สุดก็ได้ทราบว่าวิญญาณที่ดุร้ายเนี่ยก็ยอมแพ้ทางเซียนก็ได้เผาเครื่องกระดาษเงินกระดาษทองให้ก็เป็นอันว่าได้อโหสิกรรมไม่จองเวรจองกรรมกันต่อไปเพราะว่าหมู่เซียนก็มุ่งหวังสร้างความดีวิญญาณที่วัดสแกก็ยอมให้เรียกวิญญาณทั้งหลายในวัดไปได้ก็เป็นอันสุดสิ้นการปราบวิญญาณของทางวัดสแก่นั่นเอง นอกจากข้าพเจ้าจะได้เรื่องจากท่านพระครูสงหาเจ้าจอาวาสท่านแล้วก็ท่านอารามแล้วอีกมุมหนึ่งข้าพเจ้าก็ได้เรื่องจากเรือเอกมานิดอรุณมิตรท่านผู้นี้เนี่ยเป็นกรรมการผู้หนึ่งได้บอกว่า เมื่อแรกผมเองก็ยังไม่แน่ใจเมื่อยังไม่ลงมือแสดงแต่เมื่อผมถามเซียนว่าอยากทราบว่าศพ บ, บิดาของผมอยู่ที่ไหนโดยไม่ได้บอกชื่อเซียนชี้บอกว่าศพเนี่ยฝังอยู่ระหว่างต้นคอยมีอยู่สี่วิญญาณด้วยกันคือวิญญาณชื่อนายสมบูรณ์นายจันทร์นาศรีและก็เพื่อนอ่าแล้วก็นายเพื่อนนะคะ ผู้ที่เป็นใหญ่กว่าวิญญาณทั้งหลายก็คือนายเพื่อนอีกสามวิญญาณที่เหลือก็คือนายสมบูรณ์นายจันทร์นายสีนั้นเป็นวิญญาณที่รับใช้ใกล้ชิดสนิทของวิญญาณนายเพื่อนซึ่งนายเพื่อนเป็นผู้มีความสุขกว่าวิญญาณทั้งหลายทีนี้เมื่อได้ทราบว่าวิญญาณชื่อเพื่อนเป็นใหญ่ในตำบนก็สะดุ้งทีที่เนี้ยเพราะว่านายเพื่อนเนียเป็นชื่อบิดาของตัวท่านเอง ก็พากันตื่นเต้นแปลกใจเพราะเมื่อก่อนบิดาเนี่ยเป็นคนมีชื่อในตำบล น, นี้มาตั้งแต่เก่าแก่แล้วก็เป็นที่รู้จักกันทั่วไปเซียนก็ยังบอกว่าหากผมยังต้องการนําวิญญาณในเพื่อนผู้เป็นบิดาไปไว้ที่บ้านทางเซียนก็บอกว่าเออเดี๋ยวจัดการ น, นะเอาวิญญาณเนี่ยไปสิงอยู่ในก้อนดินเพื่อนําไปบ้านาตัวของ เรือเอกมานิดอรุณมิดเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าผมคิดดูตัวเองก็มีอายุมากแล้วทางบ้านผมก็มีเด็กมากไม่สมควรจะนำวิ ญ, ญญาณบีดาไปอยู่ในบ้านกลัวต่อไปจะเป็นภาระหนักแกเด็กรุ่นหลังทั้งอยากให้ท่านไปผุดไปเกิดสทัทีคุณมานิดพูดต่อไปว่าผมแปลกใจที่ชื่อวิญญาณอีกสามชื่อก็มีนายสมบูรณ์นายจันทร์นายศรีนั้นเมื่อถามผู้ใหญ่รุ่นเก่าก็ที่รู้เรื่องดีก็บอกว่า เมื่อสมัยก่อนนี้เนี่ยชื่อนี้มีอยู่จริงซึ่งเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากเมื่อก่อนผมเกิดเป็นผมเป็นคนเกิดแอมเภอร์สามโคกแล้วก็ได้ไปอยู่ที่กรุงเทพได้ศึกษาเล่าเรียนรับราชการเป็นนายทหาร ไม่ค่อยได้กลับบ้านจนเมื่อ40ปีก่อนบิดาผมตกต้นตาลตายแล้วก็ได้ฝังไว้ในวัดนี้ภายหลังผมได้มาจัดงานชาปนกิจศพ บ, บิดาแต่ก็ไม่รู้ว่าฝังอยู่ที่ไหนก็ให้คนช่วยขุดแต่ไม่พบก็เลยต้องให้เข า, าเขียนชื่อแล้วก็เผาแล้วก็ทำบุญอุทิศไปให้แต่ว่าบาัดนี้ทางเสียนได้ชี้หลุมให้แล้วก็ยังบอกว่าดินในตาบล น, นี้เปรี้ยวแล้วก็เป็นกรด และน้ำขึ้นถึงเสมอนานๆนนกระดูกก็ผุเช่นกระโหลกหัวก็ได้เหลือเพียงแค่ครึ่งกลามะาพร้าวซึ่งเป็นเรื่องแปลกจริงๆ สิ่งประทับใจอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อขุดศพล้างป่าช้าเสร็จเรียบร้อยในวันเดียวเวลา17นาฬิกาก็จะมีการเลี้ยงอาหารก่อนกลับหลังจากนั้นก็มีสุภาพสตรีที่นับถือผู้หนึ่งได้ขอบาทหนึ่งใบแล้วก็ได้ยืนขึ้นพูดชักชวนให้ร่วมบริจาคเงินเพื่อการกุศลสมทบทําบุญในวัดสแกร์ทันใดก็มีผู้บริจาคเงินร่วมกันใส่เงินลงไปในบาทด้วยความเลื่อมใสรวมแล้วเป็นเงินจานวน838บาท แล้วก็มอบให้ทางวัดไปซึ่งผมเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่น่าปลื้มใจเพราะว่าเท่าที่อุทิศแรงงานก็นับว่าเป็นมหากุสลที่ปรงตกไม่นึกรังเกียจทําได้อย่างสนิทสนมแม้แต่สับ ป, ปะเลอเป็นงานอ า, อาชีพกับศพ บ, บางคนก็ต้องดื่มเหล่าย้อมใจก่อนเหล่าอาสาสมัครนี้นอกจากจะอุทิศทั้งแรง ง, งานแล้วก็เวลาแล้วก็ยังเงินอีกอยังน่ายกย่องที่มีจิตใจงดงามเช่นนี้ นอกจากนั้นข้าพเจ้าก็ยังได้เรื่องจากภิกษุสมซึ่งท่านได้จาพรรษาอยู่ที่วัดสแกได้ทราบว่ามีส่วนร่วมเห็นการขุดศพล้างป่าช้าที่วัดนี้ด้วยโดยท่านได้บอกว่าเป็นพิธีที่น่าเลื่อมใสอัตมาแล้วก็พวกชาวบ้านที่มีอายุหลายคนที่รู้ที่เห็นที่มีที่ฝังศพอยู่หลุมหนึ่ง แต่เมื่อเห็นเซียนวิ่งผ่านไปมาไม่เห็นชี้ให้ปักหลุมนั้นสักทีก็ชักจะสงสยัยแต่จะดูให้ถึงที่สุดเมื่อเขาวางมือบอกว่าขุดหมดแล้วเราก็จะบอกให้รู้ภายหลังเวลานี้เพื่อที่ต้องการจะทดสอบว่าจะจริงเพียงไรว่าไม่มีศพหลงเหลือมีชาวบ้านหลายคนที่รู้เรื่องต่างก็คิดเช่นเดียวกันกับอัตมาโดยอยากจะทดสอบแล้วก็พิสูจน์ลองความสามารถแต่แล้วที่สุดพวกเซียนก็ปักธงลงแล้วก็ลงมือขุด เป็นศพสุดท้ายอาตมาจึงเห็นว่าเขาแน่จริงอาตมาอยากจะทดสอบต่อไปจึงถามเซียนว่าอยากจะทราบว่าศพสุดท้ายเนี่ยเป็นอะไรตายและชาวบ้านที่มีอายุส่วนมากก็คือรู้เรื่องดีแต่เมื่อเซียนตอบก็ทําให้อาตมาสะดุง้งแล้วก็ชาวบ้านต้องตกตะลึงไปตามกันเพราะเซียนบอกว่าวิญญาณชายคนนี้คือตกน้ําตายนั่นเองพวกชาวบ้านรั่าที่อยู่แถวบริเวณวัดเนี่ยก็รู้นะฮะว่าเมื่อ17ปีก่อน ได้มีศพผู้ชายคนหนึ่งลอยน้ำมาติดอยู่ที่ท่าน้ำวัดโดยพวกชาวบ้านแล้วก็พระได้ช่วยกันนำมาฝังไว้ในวัดเป็นศพตกน้ำตายเป็นศพสุดท้ายที่ฝังในวัดจากนั้นต่อมาก็ไม่ได้มีศพอีกเลยเป็นระยะเวลาผ่านมากว่า17ปีนับว่าเป็นเรื่องราวแปลกประหลาดที่สามารถรู้ได้ ทั้งที่ฝังศพเหล่านั้นนานวันเป็นที่ทราบเหมือนพื้นเป็นที่ราบเนีคะเหมือนพื้นดินธรรมดาทั่วไปโดยบางแห่งก็มีหญ้าขึ้นรกเป็นดงไม่มีการขุดหรือว่าไม่มีการทำเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าเป็นที่ฝังศพแต่ว่าพวกเซียนก็สามารถที่จะชี้ได้ถูกต้องแล้วก็แม่นยำโดยไม่มีการผิดพลาดประการใดการขุดศพล้างปา่าช้ามีใช่ว่าจะสุ่มแบบธรรมดาการเข้าพิธีแบบนี้ต้องเริ่มขุดที่ฝังศพ เป็นศพแรกก่อนแล้วก็ศพที่ฝังรองลงมาจนฝังศพสุดท้ายอาตามาจึงเชื่อว่าเป็นพิธีที่มีการขุดล้างป่าช้าที่ทําได้อย่างหมดจดและก็มหัศจรรย์มากอาตามาไม่ประสบกับตาตนเองก็ยากที่จะเชื่อได้สนิทเมื่อเห็นกับตาตัวเองแล้วก็เกิดเลื่อมสายในพิธีประหลาดครั้งนี้ขึ้นข้าพเจ้ากล่าวขอบคุณที่พระคุณเจ้าได้กระนวเล่ารายละเอียด ส่วนปลีกย่อยแล้วก็ความรู้สึกออกมาทำให้เราได้รู้ว่าโลกนี้ยังมีสิ่งลี้ลับมหาศาัศจรรย์ลึกลับอีกมากมายที่ไม่สามารถพิสูจน์แล้วก็หาเหตุผลได้เมื่อข้าพเจ้าได้ข้อความเพื่อเขียนเรื่องวิญญาณที่สแกวร์ที่วัดสแกร์ ทุกแง่มุมจากผู้ที่เชื่อถือแล้วก็ผู้ทรงศีลไม่มีข้อสงสัยใดเมื่อจะเริ่มลงมือเขียนก็มีความรู้สึกเกิดจดท้าอยากจะทำบุญแล้วก็แผ่กุศลทั่วไปเพื่อเป็นการเคารพต่อเสียนผู้สร้างกรรมดีและเหล่าวิญญาณทั้งหลายที่วัดสแกตตั้งใจว่าจะทำบุญด้วยการถวายสังฆทานอุทิศเพื่อจะได้แผ่กุศลให้ทั่วถึงกันก่อนที่จะจัดพิมพ์หนังสือเรื่องนี้ที่ เข้าเล่มเพื่อแจกต่อไปเพื่อให้อนุชนแล้วก็ผู้สนใจค้นคว้าหาเหตุผลหาความรู้ต่อไปในอนาคตข้าพระเจ้าจึงได้พยายามติดต่อท่านที่ได้ประสบการณ์ในวัดสแกรครั้งนั้นเพื่อขออนุญาตนำนามจริงของท่านลงไว้ในเรื่องเพื่อประโยชน์แก่ผู้ศึกษาข้าพเจ้าขอกราบนมัสการและขอขอบพระคุณพระคุณเจ้าที่ได้กรุณาได้ร่วมอนุญาตให้นามจริงของท่านลงในเรื่องนี้เพราะเป็นสิ่งประหลาดมหัศจรรย์ในเรื่องวิญญาณเช่น ย่อมมีผู้ที่จะสนใจอยากรู้อยากเห็นแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเป็นธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนทั่วไปผู้ประสบการณ์ในครั้งนั้นนับจํานวนร้อยๆย่ยอมนําไปสู่กันเล่าสู่กันฟังรับช่วงนําต่อไปเล่าต่อกันไปไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งเป็นธรรมดาเรื่องที่เล่ากันด้วยปากกล่าวนานวันจะค่อยๆไกลความจริงออกไปต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดาไม่มากก็น้อย ที่สุดเนื้อแท้ของความจริงก็ค่อยๆหมดไปเพราะไม่สามารถที่จะรักษาเนื้อแท้ให้ยั่งยืนไว้ได้ที่สุดเรื่องก็สูญไปข้าพเจ้าได้เดินทางหลายครั้งหลายหนเพื่อให้ได้เนื้อแท้เป็นแก่นความจริงของเรื่องที่เกิดขึ้นในเรื่องวิญญาณที่วัดสแกรเมื่อวันที่21มิถุนายน2511ก่อนพิมพก็มีเพื่อนฝูงทราบว่า ข้าพเจ้าเขียนวิญญาณที่วัดสแก่ก็พากันสนใจบางท่านที่รู้เรื่องอยู่ก่อนแล้วก็แนะนำว่าควรจะไปสัมภษณ์สตรีวัยรุ่นที่อุทิศทั้งเวลาแล้วก็แรงงานตลอดทั้งบริจาคทรัพย์เพื่อร่วมการกุศลด้วยนับว่าเป็นจุดที่น่าสนใจแล้วก็ตื่นเต้นทำอย่างไรจึงเกิดศรัทธาขึ้นข้าพเจ้าก็เห็นด้วยหากมีโอกาสได้นาความรู้สึก ของ ท, ทุกท่านมาลงเขียนก็ทำให้เพิ่มประโยชน์แก่วิญญาณที่วัดสแกหากแต่ขัดข้องด้วยเวลาของข้าพเจ้าซึ่งมีเวลาน้อยแล้วก็จำกัดรับทราบว่าจะส่งต้นฉบับให้โรงพิมพ์ก่อนสิ้นเดือนกันยาหากจะต้องใช้เวลาเดินทางไปบ้านบึงจังหวัดชนบุรีก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสได้พบกับสุภาพสตรีวัยรุ่นเหล่านั้นหรือไม่เพราะว่าตามปกติต่างก็มีงานมีอาชีพประจาด้วยกันส่วนมาก ทั้งข้าพเจ้าก็ไม่เคยรู้จักหรือว่าเห็นหน้าแม้แต่ผู้เดียวคิดว่าจะต้องขอร้องท่านนายกพุทธมามะกะสมาคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเพื่อช่วยแนะนำเป็นความหวังอันเดียวแต่ว่าท่านนายกเนี่ยก็พบตัวยากเหลือเกินข้าพเจ้าจึงได้โทรศัพท์ทางไกลถึงสองครั้งแล้วก็เพื่อนฝูงได้ช่วยโทรไปแต่ก็ไม่พบตัว